อ้ น, นจงจะต้องตอบยำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวันอันประฟังเคซาดีกันรูปเป็นนักเรียนรุบานจากบัสตัน มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนานนวเจอร์ซีโดยมีพี่เล่งเป็นกลัลยาณมิตรการได้มารู้จกกักกับโขณะทำให้ทุกอย่างในชีวิตของลูกเปลี่ยนไปพลิกจากดำเป็นขาวจากผิดเป็นถูกดังเรื่องที่จะเล่าต่อจากนี้ค่ะเห็นไวยเจ้าจวากเลยมิตรสำคัญมากเลย อีเปลี่ยนชีวิตจากดำเป็นขาวผิดเป็นถูกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันหมายถึงนรกกับสวรรค์ทีเดียวนะจ๊ะหมายความว่าถ้าผิดก็โน่นนรกยาวเลยนะยาวกว่าในมนุษย์โลกทีเดียวเลยยาวนานทีเดียวถ้าขุมห้าก็หกพันล้านล้านปีทีเดียวขุมห้าไปเพราะ เรากรอเขียนด้วยการดืรร่มโซรานี่ถ้าถ้าดำหรือผิดนี่นะโน่นละ 6,000 ล้านล้านไปทีเดียวนะังนั้นกระยาณนิมิตสำคัญมากพี่เล็งนี่สำคัญทีเดียวย้อนไปหลายสิบปีก่อนที่เมืองไทยหลายสิบปีก่อนตอนที่ลูกอยู่ที่เมืองไทยพ่อบ่ให้กาเนิดลูกึ่งเป็นทหารชาอัฟริกันอเมริกันเป็นคนผิวสี พบรักกับแม่ผู้ให้กำเนิดลูกซึ่งเป็นคนไทยหลังจากที่ลูกเดเกิดมาแล้วท่านทั้งสองก็ได้นำตัวลูกมาฝากสามีภริยาชาวไทยคู่หนึ่งให้เลี้ยงเด็งแต่เกิดแล้วท่านก็นจากไปลูกจะไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ติ่แท้จริงเลยคือท่านทั้งสองมาเพื่อการนี้แหละก็คนร่ำก็อย่างนี้แหละมันอย่างนี้มันก็เป็นไปตามบิบาก กรรมที่ทำมาเอาเป็นว่าถึงแม้ไม่ได้เจอท่านเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแม้ไม่เจอก็ต้องระลึกนึกถึงพระคุณท่านที่ท่านให้กายเนื้อเรามาสร้างบา ร, รมีพ่อแม่ไม่ชาวไทยท่า น, นมีลูกอยู่แล้วห้าคนลูกยังมาอยู่ในฐานะลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวแม้ว่าหน้าตาและผิวพันธุ์ของลูกแตกต่างกับพ่อแม่ และพี่ทั้งห้าคนด้วยสิ้นเชิงแต่ไม่มีใครรู้สึกแบ่งแยกตรงข้ามทุกคนกับรักตัวลูกมากเวลามีอะไรดีๆเขาก็จะนึกถึงน้องสาวคนสุดท้องคนนี้ก่อนเสมอลูกยังอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างเป็นสุขตั้งแต่จำความได้ลูกเห็นแต่ผ้าที่พ่อป้าหน้าอาลุงตาและพี่ๆ จำความได้เลยนะตอนจำไม่ได้ก็ก่อนหน้านี้ก่อนจำความได้ก็ ก, ก, ก็ทำอยู่แต่พอจำความได้ก็ทำอย่างนี้คือเื่มเหล้าเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานเป็นประจำถ่ายทอดอิทยา ย, ยุด ท, ที่จะฉุดลงไปในมหาดลคุมห ลูกจะคอยวิ่งซื้อเหล้าโซดากับแกล้มให้บรรดาหยาดยาดตลอดมาจนขึ้นหมอต้นโลกเป็นที่รู้จักของเพื่อนในโรงเรียนและโลกมีลักษณะภายนอกไม่เหมือนใครแต่โลกก็ยังอยากเด่นมากกว่าเดิมอีกจึงเริ่มดื่มเหล้าสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเก๋เท่สุดๆลูกคบเพื่อนที่ร่วมอุดมการเดียวกัน แม่โรงเรียนจะเลิกบ่ายสามโมงแต่ลูกกลับถึงบ้านตอนสามทุ่มทั้งทั้งที่โรงเรียนห่างจากบ้านเพียง10นาทีเพราะพอเลิกเรียนเราก็ไปตั้งวงเมากันตั้งแต่บ่ายหรือบางทีกันหนีเรียนไปดื่มเหล้าดโดยโดยขุดรูดหนีลอดใต้กำแพงโรงเรียนขยายรูเดิมคือรูเดียวกับที่สุนัขบังขุดไว้ ให้มุดเข้าออกก็ไม่ทราบว่าเธอมีความคิดอะไรแปลกดิครูไม่ใหญ่สันนิษฐานไม่ออกออกประตูดืยยามจับอืมกท่าตุนะเข้าใจหาช่องทางมันเป็นช่องจริงช่องทางอืมดื่มเล่าเสร็จพอจะกลับบ้านลรกก็จะรีบรีบล้างหน้าล้างตาเคี้ยวหมากฝรั่งดับกลิ่นให้หายเหม็นหายเมา แล้วก็เดินตัวตรงแหนวเข้าบ้านพ่อแม่จะไม่มีใครรู้ว่าลูกเราไปดื่มเหล้ามาเละลูกก็หอบหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเดินเข้าบ้านยามดึกพ่อของลูกเห็นก็ได้แต่ปลื้มโอ้ลูกกลับบ้านดึกเพราะเรียนหนักหารู้ไหมว่าเมาหนักนี่คือเหตุการณ์ช่วงมัธยมต้นของลูกมัธยมต้น นี่นี่ขนาดยังไม่ได้เอาเข้าตลาดนะถ้าเอาเข้าตลาดกวาดวอดเลยะเนี่ยแล้วในตอนนั้นป้าลูกก็ดื่มเหล้าป้านะดดิมหนักมากจนไม่เหลือร่องรอยของสาวสวยที่สะอาดสะอา้านเห็นไหมจ๊ะเหล้าเนี่ยไปลบร่องรอยความสวยงามและความสะอาดสะอ้านของป้าท้ายสุดป้าจบชีวิตด้วยโรคตับแข็ง จากตับอ่อนเนยมาตับแข็งตอนนั้นญาติทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารป้าและเกินแสดงว่าเป็นคนจิตใจงามแต่พูดไปมือก็แต่ละคนก็ยังถือแก้วเหล้าอยู่เช่นเดิมสงสารอย่งเลยแล้วก็กรึบเศร้าก็เลยเมาพอหายเมาก็เศร้าเหมือนเดิม ยังไม่เห็นมีใครคิดเลิกดื่มสักคนขนาดป้าตับแข็งอย่างพี่สะพายของลูกก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าจัดวันเสียคืนเสียอยู่ๆเธอก็น้อยใจสามีจึงแก้ปัญหาด้วยการดื่มแต่วันดีคืนดีก็ไม่ดื่มมันหรอกก็เรียกวันวันเสียคืนเสี ย, สยดื่มเหล้าเพื่อให้ลืมความเศร้าแต่เอาเข้าจริงแทนที่จะลืมความเศร้า พอเธอเมอาแล้วเธอก็โวยวายโวยวายเสียสติด่าร้องไห้ไม่ใช่จ้ะไปผูกคอตายเดินเท่าออจาักรายมนุษย์ด้วยเชือกด้วยผ้าแม่รูปเป็นคนดีที่ไม่ดื่มไม่เล่นไพ่เข้าวัดทำบุญแม่จะคอยห้ามคอยเตือนพ่อและพี่ๆไม่ให้ดื่ม แต่พ่อและลูกก็ยังรักษาความเมาสม่ำเสม อ, อ, อดีใจกับเมาเสียใจก็ม<า>เมาตั้งแต่ต้นไปถึงอ่าสิ้นปีเล ย, ายงานมันเกิดถึงงานมันตายก็างานบวชถึงงานแต่งก็<า>ทุกเทศกาลงานอะไรก็เ ม, <า>มาทาั้งนั้นเอาอกาสนั้นมาตั้งวงเล่าในบ้านอย่างเดียว<อ>นี่แหละจ้าถึงจะต้องไปแช่อิ่มอยู่ในนั้นแหละ น้ำกรดสีดำร้อนนี่แหละซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเอ๊ะแค่ดื่มมือเราเงินเราปากเราแล้วก็ไม่ได้ไปลบกวนใครลองเพลงให้เขาเบิกบานด้วยซ้ำเลยเออแล้วเราก็หลับแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะจากตรงนี้เนี่ยไปลงตรงโน้นได้ล้วนเป็นน้ําเช่นเดียวกันเนี่ยน้ําที่ตัวดื่มแต่เปลี่ยนสีน้ําใสโซดา ก, ก็ดี ่น้ำแข็งก็ดีหรือเปียวก็ดีเ อ, อกไปตรง น, นั้นจะเป็นน้ำกรดสีดำร้อนแรงนี่วิบากกรรมพูดต้นคิดก็เซตโปรแกรมไว้ยางงี้เลยคือเริ่มต้นเนี่ยมันดูดีแต่พอตอนท้ายมันอย่างนั้นขึ้นต้นไปไม่ไผเพราะเลาไปก็คุมห้านะ <c oughs> พอจิงได้ตำแหน่งพิเศษเป็นเอ er, <c oughs> ็นเตอร์เทนเนอร์ประจำบริษัท <c oughs> ไปโดยอตนมัติ เวลาพ่อเมาพ่อจะร้องรำทำเพลงพ่อมีเพื่อนเยอะเพราะพ่อคุยสนุกเวลาเมาได้ที่เนี่ยพ่อสามารถนั่งคุยได้ทุกคนแม้กระทั่งสุนัขถูกต้อง้าแถมรู้เรื่องกันด้วยรู้เรื่องกันด้วยนี่จนวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพ่อตรงกับช่วงปีใหม่ พ่อกระดุมฉลองตั้งแต่วันที่30ธันวาคม31ธันวาคมถึง1มกราคม3วัน3คืนจนท่านล้มป่วยพอล้มป่วยเขาพอเกิดความกลัวตายขึ้นจึงตัดสินใจเลิกเล่าทันทีเกือบไปนี่เห็นไหมจ๊จะจเรียกว่าต้องให้พยามัจจุราชมาเตือนลูกดีใจมาก ที่พ่อเลิกจึงฉลองที่พ่อเลิกเล่าเด็ดสําเร็จโดยการเอาตัวเองเมาหนักกว่าเก่าเข้ไปอีกยิ่งมาเรียนกรุงเทพเวลาว่างเยอะกับเมากันถวายชีวิตเมาถวายชีวิตนเนอเห็นไหมจ๊ะนี่ขณะดเขาทำอย่างนี้เขายังถวายชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทําความดีแล้วก็ต้องถวายชีวิตแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องการชีวิตให้ถวาย เวลาว่าเงเยอะกับเมากันถวาชีวิตจนเพื่อนติมหาอะไรก็เลยทำทำอะไรบางอย่างมอบให้แก่ลูกทำถ้วยแชมป์เมาเก่งมอบให้ก็เรียวกว่าอ น, นุโมทนาบาปก็ลงกันไปด้วยกันเลยเวลาลูกผ่านไปกับการเมาแม้ลูกไปต่างประเทศแล้วก็ยังมั่นคงแต่การดื่มและสูบบุหรี่เสมอมา จนมาเจอแฟนซึ่งเป็นคนเมาเหมือนกันดื่มจัดเหมือนกันเป๊ะยังก็เป็นเนื้อคู่กันไม่มีใครยอมใครเธอเมาฉันก็เมาเป็นอย่างนี้กันทุกวันเลยใครจัดงานไหนต้องไปดื่มแล้วก็คลานกลับบ้านมาด้วยกันทั้งคู่จนหลังลูกมีปัญหากับแฟนลูกแกปัญหาด้วยการดื่มเหล้าให้นักกว่าเดิมครอีกและช่วงนี้เอง พี่เล็งก็มาชวนลูกไปทำบุญบ้านของเธอซึ่งจะนิมนต์พระภิกษุมาด้วยลูกเอเลิศ ม, มากบอกว่าจะชวนเพื่อนกันไปเยอะๆจะพากันไปรอล่วงหน้าก่อนวันทำบุญอีกด้วยทีดีใจสุขีไม่ใช่เพราะอยากไปทำบุญอะไรดีใจจะได้ไปตั้งวงเล่าไพ่ไฮโลกับเพื่อนที่ลูกชวนไป oh. ลูกนั่งดื่มจนเช้าในบ้าน ที่จะทำบุญบ้านนั่นเองพอหลวงพี่เดินมาถึงประตูบ้านพวกเราจึงค่อยสลายวงเล่าวันนั้นลูกต้องนั่งห่างๆคนอื่นเพราะกลิ่นเหล่ายัางเหม็นอยู่นี่คือสภาพลูกในวันที่เจอหมูคณะวันแรก อ, อืม้มฮสุดๆเลยนี่ลูกยังคงเที่ยวสนุกสนานกับการดื่มแต่อยู่ๆลูกก็ล้มป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าัด ต้องลางานสองเดือนแฟนก็เดโอกาสช่วงนี้แหละทิ้งไปเลยเงินเก็บก็ไม่มีเหลือค่าชาวบ้านก็ตังจ่ายค่าพอรถก็ตองจ่ายแถมยังมีหนี้ใช้อีกชีวิตสาหัสมากพี่เล็งก็นแนะนำลูกว่าให้อธิษฐานจิตเอาบุญที่เคยทำช่วยเราผ่านวิกฤตให้ได้นี่ยอดกัลยาณมิตรแนะนำ ลูกก็ได้แต่งงเงงแล้วเคยอยู่แต่บาร์วงไพแล้วจะไปนึกเอาบุญตอนไหนบุญจากการดื่มหรือและบุญจากการชวนเพื่อนมาดื่มเลี้ยงเล่าพื้นส่วนที่เคยบริจาคเสื้อผ้าเคยช่วยสุนัขออกลูกแบบนี้จะเรียกว่า บ, บุญหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเอมิตาพระมีคนอย่างนี้ในโลกมึงกัน เมื่อหายป่วยลูกกลับไปทำงานบังเอิญเปิดลิ้นชักเพื่อนเจอหนังสืออยู่ในบุญลูกนั่งอ่านอ่านอ่านอ่านจนจบรู้สึกประทับใจในคำสอนของคุณยายยิ่งอ่านยิ่งวางไม่ลงแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่านไปกลึบไปหรือว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้เขียนมาและอยากนั่งสมาธิมากกลับบ้านคือนั้นลูกก็เลยลองนั่งสมาธิ แต่ก็ไม่รู้วิธีจึงแค่นั่งหลับตาเฉยๆนี่คือจุดเริ่มตอ น, นเธอผ่านไปห้านาทีกำมวยไปทั้งหมดทั้งตัวกระดูกแทบหักไม่เห็นเหมือนตอนนั่งเล่นไพ่เลยที่นั่งเพลอเพ้อนดทั้งคืนนั่งเสร็จนาทีที่ห้าเธอทำไงสันนิษฐานสิ่ึไม่ใช่เธอ ลูกยกมือท่วมหัวคุณยายขาถ้าลูกเป็นลูกหลานคุณยายขอให้ลูกนั่งสมาธิได้อ่าผิดคาดเห็นไหมจ๊ะหรือได้เห็นคุณยายที่เธอพอเธออธิษฐานเสร็จเธอก็นอนหลับเลยเข้าท่าดีนะโอ้ขึ้นต้นไม่ไม่ไหวตกดึกตีสอง ตีสอนตีสามคืนนั่นเองลูกเห็นมีใครก็ไปทราบมันนั่งข้างๆเตียงไม่ว่าจะหลับตาลืมตาก็เห็นตลอดอ้าวลาสีแต่อตอนนั้นไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เมานะไ ม, ไ, มาไม่ได้มาเพราะเพิ่งหายป่วย <laughs> เพิ่งหายใหม่ๆนี่ลุงขึ้นลูกไปขอดูรูกคุณยายเพราะลูกไม่เคยเห็นท่านเลยเห็นปุ๊บ ลูกก็ร้องไห้โหบุคคนที่ลูกเห็นเมื่อคืนจะหลับตาลืมตาที่เห็นตลอดนั้นคือคุณยายนั่นเอง<า>นี่ตั้งแต่นั้นมาคนขี้มาอย่างลูกติดเช้าฮาเย็นเฮข้ามเศษดึกส่างสว่างซ้ำหรือเคยเอาลังเบียร์ที่ดื่มภายในหนึ่งเดือนมาต่อกกันใ้สูงจากพื้นจนถึงเพดานออก็ตัดสินใจหักดิบทุกอย่างทันที เพอยากเป็นลูกที่เดียงหลวงพ่อและนั่งสมาธิให้ดีสาธุสาธุสาธุลูกเห็นด้วยที่หลวงพ่อบอกคนเลิกเล่าจายการฮักดิบเพราะถ้าลดละจะเลิกไม่ได้ลูกเห็นคนที่จะเลิกเล่าแต่มีลีลามานั่งค่อยๆลดนั่งหาวิธีเลิกแล้วก็ไม่พบวิธีเลิกเลย เลิกไปได้สักรายซึ่งจริงๆแล้วไม่กินเหล้าก็ไม่เห็นจะตายแม้แมนมีใครเอาเมียไปจออ่อคอหรือปืนมายิงหัว <c oughs> นี่แต่เธอเขียนหนังสือดีนะเธอจะรวยจะเดียวเลยมเมาไปทำไมไม่มีใครปืนมาจี้มาเขับให้เรากินเหล้าเห็นมิแต่เอามือตัวเองที่ยกแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มจึงเลิกไปได้สักทีนี่เธอน่าจะเขียนมาสักเล่ม น, น่นะ พอหักดิปปุ๊บลูกก็เริ่มทำหน้าที่ชวนเพื่อนในวงเล่าให้เลิกตามแม้ต้องใช้ความเพียนสูงแต่ลูกก็จะทำนี่เธอน่าเขียนหนังสือนะเพราะเธอเธอเขียนจากประสบการณ์จริงเธอเนี่ยจะทำให้คนเลิกลา ก, กันอีกเยอะหนังสือจะขายดีอืม้มไม่ใช่เทน้ำแตียน้ยิ่งกว่าขายกุยทอดเลยลูกมาช่วยงานวัดทำทุกบุญนั่งสมาธิทุกวันเราได้ความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูก จึงได้รู้ว่าที่เราคิดว่าเป็นความสุขตอนดื่มเหล้านั้นเป็นเพียงแค่ความเพลินช่วครูชัว ย, ว ย, ยามเพราะที่สุดแล้วเมื่อหายเมากระศร้าเหมือนเดิมนี่คือข้อสรุปของดรแอลกอฮอล์นี่ดอรแอลกอฮอล์คำถามทำไมลูกถึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ติ่แท้จริงแล้วทำไมลูกเกิดมาเป็นลูกครึ่งที่มีผิวอย่างนี้ ทั้งทั้งที่ลูกเป็นลูกเลี้ยงในครอบครัวแต่ทําไมทุกคนกลับไปความรักมากจนลูกไม่เคยมีปัญหาน้อยใจเลยแม่ทําการอะไรมาถึงมาเจอพ่อขีมาวและเล่นการา์ดมันทําให้แม่ทุกข์ใจตลอดทําอย่างไรจะช่วยพ่อแม่ในช่วงท้ายชีวิตท่านได้ป้าพีสไพร์ตายและไปไหนได้รับบนที่ทิวทิดและมีข้อความฝากถึงหรือไม่คะเราสันนิษฐานไปด้วยนะป้าพีสไพร์จะมีข้อความฝากกันไหม ทำไมลูกจึงติดเหล้าก็ลูกเอาเหล้ามาติดลูกเอาเหล้ามาติดก่อนถ้าเหล้าอยู่ส่วนเหล้าเราอยู่ส่วนเรานี่นะเราอยู่ส่วนเราเหล้าอยู่ส่วนเหล้าเนี่ยบอกมีปัญหาแต่ลูกเอาเหล้ามาติดเนี่ยลูกเลยติดเหล้าเนี่ยอบายมุกถึงแต่เด็กและเจอแต่สิ่งแวดล้าที่เป็นอบายมุกแต่สุดท้ายก็ได้พบกับเรยาเมตและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ลูกกับพี่เล่งสร้างบุญมาด้ยกันอย่างไรทำอย่างไรจึงยังมีสิทธิ์ไปดูสิทธิ์บุรีคะลูกสร้างบุญมากับหมู่คณะอย่างไรทําไมต้งชอบพูดและถ่ายทอดเรื่องราว ต, ต่างๆคนอื่นฟังก็เขียนหนังสือมาเสิลูกเขียนเลยลก็ไม่ใช่กลึบไปเขียนใหม่นะลูกมีบุญพอที่จะทําได้กับกาลยานเมรให้เพื่อนในวงเล่าได้สาเร็จหรือไม่โดยวิธีการใดกราบข อ, ขอคําแนะนำหลวงพอ่อคะ ก็ให้มันแข็งแรงกว่า น, นี้ก่อนก่อนแค่เข้าไปเป็นกะไรไว้ใช่เพื่อนในวงเล่าลสั้นๆเรืองเธอสั้นๆเอามาฟังฝังนในฝันกันจ้ะลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงและมีผิวสีอย่างนี้เพราะกมแนดิดเวลาที่ลูกมีลูกแล้วเนี่ยก็จะทอดทิ้งอย่างเนี้ย ไอ้คนอื่นก็เอาไปเลี้ยงเนี่ยผังนี้มันติดตัวมามันเป็นภาพในอดีตของลูกจะไปทำอย่างนี้มาก่อนส่วนที่มีผิวสีเพราะกรรมมักโกรธของลูกในอดีตชาติจ้ะเนี่ยมักโกรธก็เลยไปเกิดเป็นยักษ์นี่แหละจ้ะจึงมีผิวสีถ้ากโกรธแล้วก็จะมีคำพังพลูออกมาเลยเนี่ยเพราะนั้นมันก็เลย ทำให้ผิวไม่สวยทั้งที่ั้งทั้งที่ลูกเป็นลูกเลี้ยงของครอบครัวแต่ทุกคนกลับความรักจนลูกหมดปัญหาเรื่องน้อยใจเพราะลูกยังมีบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตตามมาส่งผลจะ้ะเพราะนั้นพอบุญนี้ส่งผลเข้าทุกคนในครอบครัวนั้นจึงไม่มีความรู้สึกว่าเป็นคนแปลกหนะ้าคิดว่าเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว ไม่เจ่ว่าเราต้องให้ก่อนแล้วเราก็จะได้รับให้การส่งเคราะห์ญาติแล้วเราก็จะได้รับการส่งเคราะห์ในทุกคนทุกแห่ ง, แ, งแม่มาเจอพ่อคิมเมาเล่นเล่นการพ น, นันจนทำให้แม่ทุกข์ใจเพราะกรรมทํานแม่คบคนพานในอดีตประเภทขี้เมาเจ้าชู้เล่นการพ น, นันแลจะจะเอ็งมาเนี่ยการครบคนพรลก็มีเชื้อ มีเชื้อที่จะทำให้มาอยู่ในวงจรของคนที่ขี้เมาเจ้าชู้เล่นการพนันอะไรอย่างนี้ตัวเจ้าชู้ก็เลยมาเป็นผู้หญิงจะช่วยพ่อแม่ในช่วงท้ายของชีวิตได้จะต้องแนะนำให้ท่านทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทุกวันไล้ขาดเลยนี่เป็นสิ่งที่ลูกต้องทำนะจ๊ะต้องไปแนะนำท่านให้ทำทานให้รักษาศีลและเจริญภาวนา ก็จะทำให้ใจท่านนะ่ะผ่องใสในบ้านปลายตายแล้วก็จะได้ไปดีคือบุญจะอุ้มเอาไว้แลจะจานี่สำคัญนะต้องไปแนะนำนะลูกนะต้องไปแนะนำท่านป้าตายแล้วบุญเก่าแนะดีที่ทำบ้านตามประเพณีและบุญปัจจุบัน ได้ทรงผลอุ้มไว้ไม่ให้ไปเกิดในมหานรกนี่บุญนี่ไหมจ๊ะจึงจำเป็นจะต้องทำนี่คือคตาตอบทาไปทาไมทำเพื่อไปปิดอบายแล้วกลับไปสวรรค์นั่นแหละและเพื่อจะให้ชีวิตมีความสุขและความสาเร็จในมนุษย์สิยาโลกนี่แหละทำไปทาไมบุญทำไม่ได้ทำบุญก็ไปมหานรกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่บุญอุ้มไว้ไม่ให้ไปมหานรก แต่ป้าไปเกิดเป็นอ่ะพมะเทวาปะะเป็นนาคเป็นพญานาคเป็นคุมพันธ์หืมกระาบมาสดสดไปเกิดเป็นงูอยู่ริมน้ำจ้ะเป็นหูหพี่สภ้ายตายแล้วจิตสมองมากได้ไปเกิดในมหาเนรคุมหนึ่ง และต่อไปก็จะต้องไปขุมห้าต่อแล้วกรรมที่ค่าตัวตายส่งผลก่อนและกรรมดื่มสไาจะส่งผลที่หลังเลยขุมหนึ่งกี่ปีหนึ่งล้านล้านปีขุมห้าห0พันล้านล้านปีตอนนี้ก็ทนอยู่ขุมหนึ่งไปก่อนล้านล้านปีจะเพิ่งไปคานึงถึงคุ้มห้าพอถึงงนั้นยังไงได้ไปแน่ เพราะกา ร, รข้าวตายและกรรดื่มสุดาจา้ขาขณะนี้ถูกแขวนอยู่บนคานที่พาดปากหลุมทานเพลิงที่มีไฟสีดาไฟกรดสีดาลุกโชนแล้วก็ถูกทวงที่ขาด้วยก้อนเหล็กร้อนหนักมากแต่ไม่ตายสักทีเพราะฉันจริงไม่มีเวลาไม่มีเวลา ว, ว่างเว้นจากทันทรมานลูกต้องติดเล่าตั้งแต่เด็กและเจอสิ่งเวรลอมที่เป็นอบายมุขเพราะ กรรมแน่ดีที่ครบคนผ่านเดิมเล่าเจ้าชู้เล่นการเปนนนครบสูตรเอาใบยมุกเลยเจ้าเจ้าชู้ก็มาเป็นหญิงแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ต่อมาได้พบกระไรมิดและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะบุญเก่าที่เคยทํามากะหมูขณนะตามมาส่งผลจึงทําให้กลับตัวได้จ้าไม่ก็จะกลับตัวก็มาทําบุญวันเมาเล ย, เลย ลูกกับพี่เล่งนั่นแหละเคยสร้างบนร่วมกันมาโดยเคยเป็นกรรยมิตรให้สิ่งกันและกันพี่ก็เคยชวนสร้างบุญละเกือก้อคูลกันมาจึงทำให้ลูกเชื่อฟังและอยู่ในอวาติเขาคือรับฟังเขาอนะ่ะอีกทั้งลูกเคยเป็นทั้งน้องชายและเป็นทั้งน้องสาวเขาในอดีต oh. เคยเป็นทั้งน้องชายเป็นน้องสาวแปลกเนะี่ยอยู่ในตัวคนกนเดียว <Yeah. S 1> ตอนช่วงที่มีกรรมเจ้าชู้ส่งผลก็เป็นน้องสาวพี่เล่งก็นี่นแหละ ตอนที่ไม่มีการเจ้าชู้ส่งผลก็เป็นน้องชายเขานี่ยแหละเพราะนั้นเนี่ยเคยเป็นกันร่วมกันมาด้วยเคยเกื้อกูลกันด้วยเพราะนั้นจึงใจจึงยอมรับพี่เขาง่ายจะมีสิทธิไปดูสิทธิบริโภมบนพิเศษเขตบริโภคบิษัทจะต้องทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และสม่งเสมอและอธิษฐานจิตตาติดไปดูสิทธิบริโภคบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย อีกทั้งอดีตที่ผิดพลาดต้องลืมไม่หมดและก็ต้องไม่หวนคืนกลับไปที่เดิมนะจ๊ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมูคณะมาแบบกองสเสบียงแบบตามอารมณ์ไม่ค่อยสม่ำเสมอดังนั้นชาตินี้เมื่อรู้แล้วก็จะต้องทำให้เต็มกำลังนะลูกเนะที่ลูกชอบพูดทายทอดธรรมะคนอื่นฟังเพราะในอดีตลูกก็เคยมีบุญชอบชวนคนทาความดีอยู่ กรกับปัจจุบันเป็นคนมีนิสัยเฮฮามีเพื่อนมากโด้วยจ้าลูกจะแนะนําผู้ที่ชอบดื่มเหล้าให้เลิกได้ลูกก็ต้องใช้ความพยายามและต้องอดทนอย่าไปเบื่อลําคายเขาเสก่อนแล้วก็อย่าไปดื่มตามที่เขาชวนนี่ก็แล้วกันพราะผู้ที่เคยทําหน้าที่กัลยามิตรให้กับลูกมนันเขายังต้องอดทนกับลูกลูกก็ต้องอดทนในการแจกชวนแนะนําคนอื่นเขาด้วยจ้านี่กับเป็นแค่สต๊ี้สันส้น